<c oughs> ไหนท่านรองพอไหนไหนรองรอพอวิทยาคมรับเดินทางมาไม่ทันพิธีแล้วเนี่ย <c oughs> เออวันนี้วันนี้คุณนายไม่ได้มาใช่ไหมอา่านรองเชิญท่านไอเชิญไอเนี่ยไงไอตีกับ ลัฐระ ม, มาูมาเป็นประธานแจกตรงนี้ <c oughs> มานั่งคอยแจกตรงนี้สองท่านอุปการะกิจกรรมมาตลอดเนี่ยตลอดหนึ่งปีนี่เราขึ้นปีที่สองแล้วเนี่เราทำเป็นปีที่สองแล้วก็นักเรียนก็เป็นรุ่นที่สามนะเราให้ทุนการศึกษา เห็นเห็นแต่พออนสาราญเนี่ยเฮ้ยนอพ่อนสองสราญเห็นแต่พออ่อนสาราญอาจารย์อะไรนะอาจารย์สันสนีหรือสุนีสุนีเห็นก็เขียนสันสนีบ้างสุนีบ้างอ่านี่เป็นอาจารย์ดีเด่นเป็นคนไปจัดระเบียบเพื่อรับกองทุนตรงนี้อือ วันนี้เขาเขาได้เกียรติบัตรด้วยวันนี้ประโยชน์เล็กๆไม่น้อยเรายัมองข้าวเอาตีมาด้วยไหนด็อกเตอร์มาเอ้มานั่งให้เด็กดูบ้างสิไหนอยู่ไหนฮะไปไหนแล้วด็อกเตอร์นะั้นเอาไปธรรมดานะ <c oughs> ประโยชน์เล็กๆน้อยๆเราไม่มองข้าม <c oughs> การที่เราสะสมทรัพย์เป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขเราก็เริ่มไปจากการเก็บเล็กผสมน้อยขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีก็เกิดขึ้นจากการเก็บเล็กผสมน้อยเสริมขึ้นเสริมขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ, น, เ, นเราดูเติะ กว่าเราจะมายืนอยู่เป็นผู้ใหญ่ดูไปรอบๆข้างเราเห็นลูกเห็นหลานเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเราต้องสังสมสะสมส่งเสริมตัวเราอะไรบ้างยังไงบ้างดูที่เราเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเราสังสมอ บ, บรมมามากน้อยเท่าไร่กว่าเราจะได้เด็กก็เหมือนกันแหละไม่ใช่เราทําแล้วได้แต่เด็กผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ได้หมด เพราะอันนี้มันเป็นปฏิก ร, รมมันเป็นการความประพฤติที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมมันเป็นเรื่องของคุณธรรมทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> สังคมมีระเบียบที่เราต้องรู้สังคมในวัดเราก็ต้องรู้สังคมชุมชนเราก็ต้องรู้ สังคมโลกเราก็ต้องรู้สังคมธรรมเราก็ต้องรู้อถ้าเราไม่รู้เราก็มีข้อถกเถียงกันอยู่สังคมโลกเขาเป็นอย่างนั้นนะเอ้ยสังคมเราเป็นอย่างงี้แหละวัดเราเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้ไปถืออะไรอย่างนั้นกุบายยานพาถืออย่างงี้อย่างนี้แต่สังคมโลกเขามีงานเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือทุกอย่างกาลเทศะบุคคลจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้น ธรรมะที่ทําให้เป็นคนดีสัพพุริสธรรมเราไปดูสัพพุริสธรรมเจ็ดอัฏฐานยุตตาอัฏฐานยุตตาอัฏฐานยุตตามัตตัญยุตตาการัญยุตตาปุคลัญยุตตาปุคละประโรปารัญยุตตาอะไรนี่เกี่ยวกับรู้จักการรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักสถานที่มันประกอบไปด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัย อย่าลืมว่าความเป็นอยู่ของเรามันเลื่อนไปมันเคลื่อนไปด้วยเวลาระยะเวลาหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีตอบไปอีกเป็นหนึ่งวินาทีตอบไปอีกเป็นหนึ่งวินาทีเป็นสามเลเป็นสี่เป็นห้าเป็นหเป็นเจ็ดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันหนึ่งนาทีเป็นสองนาทีเป็นสามนาทีหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสมชั่วโมงพฤติกรรมของเราก็เหมือนกันทุกอย่างทําขยับก็ไปเรื่อยด้วยกันหายใจ 1>, 1ครั้งสองครั้งสาครั้งแต่ละหวันระหวันเราหายใจมากน้อยเท่าไหร่ร่างกายของเราก็ค่อยเจริญเซลล์เม็ดเซลเล์โลหิตของเราเนี่ ค, ค่อยเจริญทีละเม็ด2เม็ดสามเม็ดสี่เม็ดถ้าเคยถ้าเสื่อมก็จะเริ่มเสื่อมหนึ่งเม็ดสองเม็ดสาเม็ดทุกอย่างมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะเพราะฉะนั้นถ้าหากเปลี่ยนแปลง ไ, ไปในทางที่เปลี่ยนแปลง ไ, ไปตามหลักของธรรมชาติอันนั้นมันเป็นเรื่องหลักของธรรมแต่ถ้าเป็น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยหลักของพฤติกรรมอันนี้เราพึงระวังเพราะพฤติกรรมนี้มันมีอยู่สองอย่างที่เราควรจะทาความศึกษาควรจะทำความเข้าใจพฤติกรรมอย่างหนึ่งเป็นไปตามธรรมโอนเอ็งไปตามธรรมพฤติกรรมอย่างหนึ่งโอนเองไปตามกิเลสนะแต่ผู้ที่ทำงานคือใจดวงเดียวใจของเราดวงเดียวนะเป็นผู้ประกอบพฤติกรรมที่กาย ที่ไหวจากายไหวจา่ากับใจกายกับวาจาบวกกันแล้วก็ใจเป็นอีกส่วนหนึ่งกายวาจาเป็นเรื่องของรูปใจเป็นเรื่องของนามนามก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นใจของเรานะ่ะมีแต่กิริยาอาการกิริย า, าการอยู่ข้างในของเราข้างในใจของเรานะ่ยที่มันแสดงสิ่งมันมีสิ่งคอยผลัก ดันแสดงกิริยากายกิริยาวาจาออกมาก็คือความอยากความอยากนี้มันก็ยังเป็นแฝดอยู่เหมือนกันอยากทําดีแล้วก็อยากทําชั่วใครเป็นคนมาแยกดีแยกชั่วธรรมาชาติมันแยกเองพระพุทธเจ้าท่านมาสอนตามหลักธรรมาชาติใครทําดีผลตอบแทนมีความสุขมีความเจริญไม่ค่อยมีอะไรมา รบกวนร่างกายไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรมารบกวนจิตใจถ้าทำไม่ดีผลตามมาก็คือไม่ดีเพราะสิ่งที่ทำลงไปแล้วมันตกผลึกเป็นเรื่องของกรรมกรรมนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองจากเหตุที่เราทำถึงแม้่เราทำไปแล้วเราไม่ต้องการผลเราทำลงไปแล้วเราไม่ต้องผักการผลผลนั้นก็ย่อมเจริญงอกงามในหัวใจของเราทำไมาจึงเจอได้ใ น, นเมื่อเราไม่ต้องการ เพราะเราไปทําเหตุมันแล้วอย่างนักเรียนอ่ามาอ่อนน้อมด้วยกายอ่อนน้อมด้วยวาจา ม, มีพฤติกรรมที่อ่อนน้อมมาจากใจมันก็มาจากสิ่งที่เกิดความน้อมเอียงข้างในนั่นแหละอืทำให้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษารู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นไปในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ชอบจิตใจนิสัยของค น, นก็เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเรา เราเคยคลุกคลีตีมองมากับคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้มันก็สะสมทรัพย์ ส, สมบัติภายนอกมันก็สะสมหนึ่งสองสามสี่บวกเพิ่มพูนทวีคูณไปเรื่อยทรัพย์สม บ, บ, บัติภายในคือคุณธรรมจริยธรรมข้างในจิตใจของเราก็จะเพิ่มพูนทวีคูณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เราเกิดความรู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวทุกระยะทุกเวลา ด้วยเหตุที่เรามีความนํารีมีความนึกคิดมีความใคร่ครวญใจตรองในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบเลยเป็นเหตุให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญงอก ง, งามผลตามมาคือความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าท่านทรงมาพูดมาตมาร์มาแจกมาแจกตามหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนอย่างนรกเอ่ยสวรรค์เอ่ยอย่างเงี้ยนรกนรกเอ่ยสวรรค์เอ่ยนิพพานเอ่ยอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงเนะ่ยนรกก็คือความทุกข์ยากลาบาก ในความเป็นอยู่บนผืนโลกใบนี้ถ้าเราสังเกต ด, ดูความทุกข์ยากลําลบากความเร่าร้อนร้อนไปที่ไหนร้อนไปที่ใจทําไมจึงร้อนไปที่ใจเพราะใจของเราเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติเดียวที่รับรู้รู้สุขรู้ทุกข์ถ้าเราไม่มีใจเราก็เหมือนอะไรเราก็เหมือนต้นเสาต้นอย่างนี้แหลอะอเอาอะไรมาฟันมาแทงมาอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะใจมันไม่มี ต้นเสาตันนี้มันไม่มีใจคนเรานั้นมีใจรับทราบความสุขแต่ความสุขนี่มันไม่ต้องอดมันไม่ต้องทนมันทำให้ให้เราเบาสบายปลอดตรองเอออารมอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่นา่ามีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเ ล, ละเกินเราติดใจเราชอบใจไม่ทำให้เราทุกข์ใจอารมณ์อย่างหนึง่งไปมัดจิตมัดใจของเราทำให้เราได้รับความเดือดร้อนวิ ต, ตกกังวล เดือดร้อนวิตกกังวลจากนั้นแล้วก็ทุกทโทษตามมาคํนะาว่าเดือดร้อนวิตกกังวลนั้นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจบางครั้งกรรมบางอย่างมันก็ส่งผลมาที่กายด้วยนะเป็นเหตุต้องต้องทุกข์ต้องยากต้องอดต้นต้องจนต้องทนทุกข์ต้องทรมานเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมที่ไม่ดี ท, ท่านบอกว่าเป็นเหตุให้เราได้ไปลาบายไปลาบาย <c oughs> อบายภมพทั้ง4ี่เนี่ยมีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีนรกมีสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งสามอย่าง4อย่างเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเ อ, เอาไว้ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยที่เรามองเห็นก็คือสัตว์เดรัจฉานเราดูที่มนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ใช่มนุษย์เราเนี่ยท่านถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นอกนั้นที่เรามองเห็นอยู่บนโลกใบนี้ที่เรามองเห็นหนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมด นั่นอันนั้นคือผลชั่วอย่างหนึ่งที่มันทายไปจากความไม่ดีความประพฤติไม่ดีของคนสมมุติว่าเมื่อก่อนชาติก่อนเขาก็เคยเกิดเป็นคนแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกทุกระยะทุกเวลาแสดงแต่พฤติกรรมที่ชั่วร้ายทําให้ทุกให้โทษกับตัวเองให้ทุกให้โทษกับคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สมควรจะเป็นมนุษย์มันไม่มีคุณสมบัติไม่พอ เมื่อกเราสอบคะแนนไม่พอนะเราสอบไม่ผ่านควรที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่เกิดนี่เราต้องระวังที่สุดถ้าเราไม่พอไม่เกิดนะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะอย่างดีที่สุดไปไปเป็นสัตว์ในไร่ฉันที่ได้มาอยู่กับร่วมโลกเราเป็นหมาเป็นแมวซึ่งได้อยู่เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์น่ารักเป็นช้างที่มาอยู่ใกล้คนเลยจากนั้นไปเป็นสัตว์เปรตสัตว์นรก เป็นอสุรกายหนนนรกขึ้นชื่อว่านรกก็เป็นที่ทรมานเป็นที่จองจํอ่าเป็นที่ทรมานเป็นที่จองจําจองจํามาที่กายเพื่อมันเกิดความทุกข์ทิ่มแทงมาที่ใจใจมันเป็นผู้ต้นเหตุของกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นกายมันเป็นใจมันเป็นเจ้าของกายกายมันเป็นส่วนหนึ่งของใจเวลากรรมมันให้ผลมันให้ผลที่ใจด้วย ให้ผลที่ใจอย่างเดียวยังไม่พอมันให้ผลมาที่กายด้วยอืมึงไปมีกายร่างกายของมึงไปยให้ไปสุขสบายขอยเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดแอบทุกข์ยากลําบากอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือกรรมกรรมมันเป็นเป็นผลจากการที่เราทํารุบมาก็คืออยู่ที่พฤติกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมความประพฤติของกายความประพฤติของวิจา เป็นวิจิกรรมความประพฤติของใจเป็นมโนกรรมแต่ทุกอย่างมาจากใจเพราะใจดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจก็เหมือนกับที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เหมือนเสาต้นหนึ่งเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนก้อ น, นดินก้อนหินแผ่นดินแผ่นหินที่เราเห็นเนี่ย อ, อย่างต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันมีชีวิตอยู่แต่มันไม่มีใจมันเจริญเติบโ ต, ตได้อยู่ต้นไม้เราเห็นอยู่ เห็นมเมล็ดมันสมมติเราไปเพาะมันก็จะเริ่มงอกเริ่มเจริญเริ่มเติบโตขึ้นมาจากต้นเล็กไปเรื่อยๆเจริญไปตามการแตตามเวลาเวลาที่ควรเจริญพอไปถึงคราวเสื่อมประโยชนมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเหมือนมนุษย์เราเพราะมันมีอายุไขแต่มันไม่มีวิญญาณครองแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยไม่มีวิญญาณครองด้วยเช่นอย่างแผ่นดินก้อนหินเนี้ย ก้อนหินมันโตก้อนหินมันย้อยเนี่ยมันเป็นด้วยหลักธรรมชาติอย่างอื่นที่ทําให้เกิดมันย้อยเช่นอย่างหินหินปูนหินปูนเราไปดูหินปูนเราเคยไปดูหินปูนมันย้อยที่ถ้านู้นที่เวียดนามโูสวยมากรืมแล้วลืมชื่อมันแล้วล่ะะคราวที่แล้วก็ไปดูที่ลาวบองลาวน่ะหินปูนมันย้อยในถ้ำโอ้ไว้มากเป็นรูปต ะ, ะปุมตะปํา อันนั้นมันไม่ใช่ว่ามันมีชีวิตไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของสิ่งภายนอกเราดูวัตถุทุกอย่างอยู่บนผิวโลกของเราไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมทั้งนั้นเลยเราดูมาที่คนของเรานี่ก้อนหนึ่งคือก้อนหนึ่งของคนผู้ชายผู้หญิงนะทุกคนก็มีจิตใจเหมือนกันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมร่างกายของเขาก็ไม่อยู่เท่าเดิมจิตใจของเขาก็ไม่เคยอยู่เท่าเดิม ความไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละมันทําให้เราสุบบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุบบ้างเพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมอเช่นอย่างมันสุบมันสุบมันสุบเราชอบใจเราชอบใจเราต้องการให้อยู่เท่าเดิมมันก็ไม่อยู่เพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกมันมีความทุกทุกทุกทุกทุกทุกมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสุขสุบสุบเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปทุกแต่ถ้าถึงคราวที่เขาทรมานมันมีแต่ทุกกะทุกทุกกะทุกทุกกะทุก เช่นอย่างเราไปอยู่ในที่ทรมานมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่เหมือนหลักธรรมชาติที่มันเกิดภาวะความเป็นทุกข์ของมันภาวะความเป็นทุกข์เช่ น, นอย่างจิตใจของเราวันนี้ชั่วโมงนี้มีความสุขเต็มแพรชั่วโมงต่อไปมีความทุกข์ตันหาในหัวใจของเรามันเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับจิตคือผู้รู้ของเรามันมาแสดงบทบาทมาแสดงพฤติกรรมทาให้เรามีความอยากอทําให้เรามีความอยาก ทำไมถึงมีความอยากเพราะคนเรานะเกิดมาใจมันไม่ไม่มีตัวไม่มีตนมันอยู่ข้างในแต่มันมาใส่ร่างพอมันได้ร่างขึ้นมาแล้วมันเป็นร่างมนุษย์ร่างมนุษย์ก็เหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นนี่แหละมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีมีกายห้าถาวรห้าประตูอันนี้เป็นที่ออกของใจใจมันออกมาทางตาไปเห็นรูปออกมาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายไปสัมผัสกายในที่นี้หมายถึงประสาทกายนะไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจมันออกมาสัมผัสใจมันออกมารับรู้ข้างนอกอืตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> พอมันเห็นรูปดีๆมันก็ชอบเห็นรูปไม่ดีมันก็ไม่ชอบสะสมเป็นเป็นสะสมมาเนิ่นนานเป็นกับกันปุเรชาติมันเกิดความโน้มเอียงอเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอาสวะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ เกิดความรักเกิดความชังเสร็จแล้วมันก็มีมีเผ่ามีพันุ์ต้นไม้มันก็มีมีมีเผ่ามีพันธุ์ของมันมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็มีเผ่ามีพันธุ์เกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาตัณหาคือกิเลสกิเลสคือตัณหาสิ่งเหลานี้ตัวเดียวที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราทําให้เราพลิกผันมามีชีวิตมีความเป็นอยู่มีการพัฒนามีการเจริญมีการเสื่อมมีความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ว่าอะไรทอะไรสารพัด นีเราพูดถึงก้นบึ้งต้นต่อที่แท้จริงที่พระเจ้าของเราท่านตรัสรู้แล้วเอามาบอกมาสอนพวกเราให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ทําตามและประพฤติตามข้อปฏิบัติของท่านโดยท่านแยกความอยากออกเป็นสองอยา่างอยากทําตามอํานาจธรรมเป็นเรื่องของมรรคอยากทําตามอํานาจของกิเลสมันเป็นเรื่องของสมุทยัยอยากทําตามอํานาจธรรมเช่นอะไรเช่นอย่างต้องการ ทำบุญต้องการให้ทานต้องการไหว้พระสวดมนต์ต้องการแสดงกิริยาอ่อนน้อมพูดยาให้เป็นให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชื่อใจกิริยาเหล่านี้เป็นเป็นกิริยาที่ทําให้เราเกิดคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจที่สำคัญที่สุดท่านสอนเรื่องเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันเป็นการพัฒนาจิตจิตพัฒนามาถึงการรักษาศีลนี่แสดงว่า เริ่มมาเข้าประตูที่จะต่อกอดกับตันหาล้อ่าตั้งใจรักษาศิน Biz. เราตั้งใจรักษาสินปั๊บแน่เราเริ่มหยุดเราเริ่มชะลอตันหาในหัวใจของเราล้วเพราะตันหามันแสดงออกมาและให้ให้เราแสดงพฤติกรรมที่กายฆ่ า, า, าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติษพิณายกรรมแน่มันแสดงออกมาทางวาจาพูดเท็บพูดยาพูดโซเสียลพูดเพิร์เจอนี่ตันหามันแสดงออกมาเราตั้งใจรักษาสินปั๊บ ปิดประตูช่องนี้ทันทีปิดประตูที่กายกรรมปิดประตูที่วจีกรรมปิดด้วยศีลเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเห็นความสําคัญของศีลเศีษเศีษฐเศีษฐเศรษอย่างนั้นแหละด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจเราไม่เลื่อมใสเราไม่ศรัทธาเราไม่มีกิจกระจใจที่จะไปจับไปสร้างไปทําเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาทำมหากินมีผลมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่มากสําหรับระดับชีวิตจิตใจของเรานี่นคืออํานาจของตัณหา เริ่ ม, มรักษาสินภาพเริ่มต่อกกนตับตันหาแล้วเพราะตัวนี้แหละมันพลิกผันทําให้เราตื่นทําให้เราลุ่มหลงทําให้เราตื่นให้เราหลงให้เราตื่นให้เราหลงให้เรามีจิตตื่นตื่นตื่นตื่นพระเจ้ามาปลุกให้ตื่นให้อยู่จะจะกับคุณธรรมเหล่านี้ตั้งใจรักษาสินัาพอ้าวมันยังดีดดิ้นอีกดีดดิ้นที่ไหนดีดดิ้นที่ใจใจมันนึกได้มันนึกเรื่องรูปก็ได้เรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสมันนึก ปัญหาสารพัดมนึกได้หมดท่านจึงให้หยุดข้างในใจอีกหยุดยังไงท่านให้ภาวนานะพูดมาอย่างนี้เราเห็นความสําคัญของการภาวนาหยุดกิเลสในหัวใจของเราให้ใจสงบอยู่กับบทธรรมพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมเราเห็นความสําคัญของพุทโธไหมการที่เราพุทโธได้นะเราหยุดกิเลสหยุดตัณหาในหัวใจของเราหยุดกิเลสหยุดตัณหาในหัวใจของเรา เราหยุดแค่มันสงบแค่มันนิ่งแต่มันไม่เด็ดมันไม่ขาดเพราะเรายังมีโมหะลุ่มหลงครอบงำไม่รู้จักสาเหตุต้นต่อของมันท่านจึงให้เราใช้ปัญญาพิจรารณาใช้ตัวสติใช้ตัวสัมพจัญญะหรือใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจรารณาพิจารณาคือศึกษาคือคน้นคว้าศึกษาคือคน้นคว้า วิจารณวิจัยคลี่คลายดูเหตุดูปัจจัยที่แท้จริงดูเหตุดูปัจจัยที่แท้จริงเพื่อที่จะมารือ้อเพื่อที่จะมาขุดมาคุยมาคลี่มาคลายให้เห็นเหตุของกิเลสของตัญหาอย่างแท้จริงพิจารณาไปพิจารณาไปก็มาเห็นเห็นจากเห็นมันเกิดขึ้นตามอํานาจของกระแสธรรมของกระบวนการที่เกิดขึ้นเช่นอย่างตาเห็นรูปเนี่ยกระบวนการมันเกิดแล้วปัญหามันเกิดแล้ว แต่มันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตของเราที่เอามาทํางานและมาปิดกั้นตรงนี้ได้คุณธรรมอันนั้นก็คือสติธรรมสัมผชัญญาธรรมสติธรรมสัมผชัญญาธรรมเวลาเราเจริญให้ตื่นรู้โรูอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตันถามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราไม่ได้ด้วยเหตุที่เรามีคุณสมบัติกํากับจิตดิบดีถึงขนาดนี้ท่านจึงให้เอามันมีเป็นท่นทุนมาแล้ว ท่านให้ใหเอาไนี้มาเจริญทำให้จิตของเรามีสติเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าพระอริยเจ้าที่ท่านได้ถึงขั้นเป็นพระอาหารหันต์ท่านมีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ตเต็มที่คือท่านเจริญจะมีสติสมบูรณ์ตื่นรูอยู่ตลอดเกลียดตัณหาอ่ามันละมันขาดมันตามไม่ทันอยู่แล้วแต่ท่านมีอยู่อย่างนั้นเป็นโดยหลักธรรมชาติด้วยเหตุที่มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีอย่างนี้ ท่านยังให้เอาเครื่องม้เครื่งมือนี้มาทําทําจิตให้ได้รับความสงบเพื่อตัดกระแสะของตัณหาแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ไปตัดรากตัดเง่าแห่งกองทุกกองโทษทั้งหลายทั้งปวกอันเกิดขึ้นจากตัณหาเหล่านั้นแท้ที่จริงตัณหามันไม่มีตัวตนมันเป็นพฤติกรรมความอยากของจิตที่มันเกิดขึ้นสะสมมาเป็นกับกับเป็นการกันเตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่กับการโพเรชันไหนเราก็รู้ไม่ได้ นะไม่มีใคระทําอะไรให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงของเราเองจึงใช้ปัญญาพิจารณาทําลายความรุ่มหลองอันนี้จนเกิดปัญญาเกิดปัญญารู้เห็นเหตุปัจจัยกาพิจารณานี้เรากําหนดจดจ่อจับไปที่หลักของอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทยัยทุกสมุทยัยร่างกายของเราเป็นก้อนทุกเป็นตัวทุกขแม้จิตใจของเราที่ประกอบไปด้วยกิเลสก็คือเป็นก้อนทุกเป็นตัวทุก เวลาย้อนไปดูเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดร่างกายของเราอ่าเกิดร่างกายเราขึ้นมาแล้วก็สามารถจะเถียงได้ว่าโอ้เรามีกายขึ้นมาก็ดีแล้วเราทได้ทำนู่นได้ทํานี่ได้แต่งตัวได้นู่นได้นี่ได้เล่นสนุกแท้ที่จริงกองทุกเราไม่ดูเราไม่รู้ทุกอะไรต้องหาให้อยู่หาให้กินแล้วก็มาเขาต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วยแล้วต้องถูกกระทบกระทแงกระทั่งแล้วก็ตายแล้วก็ในที่สุดแก่แก่แกชราชราแล้วก็ตายในที่สุด คือก้อนทุกคือกล่องทุกสมมุติเราอยู่คนเดียวไม่พอเรามีสามีเรามีภรรยาเราต้องแบกกองทุกสองกองมีลูกขึ้นมาอีกสองคนสามคนต้องแบกกองทุกห้ากองแบกหรือไม่แบกเราดูไปเถอะอเราแบกหรือไม่แบกกองทุกเหล่านี้พระเจ้าท่านจึงสอนวิธีการที่ทําให้เราศึกษาเพื่อมาชะลอมาสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ อันนี้เป็นก้นบึ้งของจรยิยธรรมพื้นทั่วๆไปแต่เรามาศึกษาแต่ผิวเผินข้างนอกเราไม่เคยเจาะลึกเข้าไปถึงข้างในถึงเหตุถึงผลถึงต้นต่อของมันเราจึงระงับดับไม่อยู่ในวันนี้พยายามจะพูดให้เห็นก้นบึ้งของเหตุที่จะทําให้เสียจรยิยธรรมของเราทําไมเราต้องประพฤติธรรมเราต้องทําไมเร า, เราต้องปฏิบัติธรรมเพราะมันมีสิ่งที่ไม่ใช่ทำปนเปื้อนมาโดยเหตุที่ไม่เชิญน่นนี้เนี่ย ท่านรองใช่ไหมนี่นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ดูซิท่านสะสมท่านอบรมไหมไม่สะสมไม่อบรมจะขึ้นไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันน่ยขยับขึ้นไปเรื่อยโตขึ้นไปเรื่อยไม่กาลังพูดถึงต้นตอสาเหตุต้นตอที่ทําให้จริยธรรมเกิดขึ้นสิ่งที่เสียจริยธรรมเกิดขึ้นพูดไปถึงก้นบึ้งของกิเลสตัณหามันพันมาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย นี่พวกเราก็ฟังต่อเนื่องมาฟังต่อเนื่องมาด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้เราพิจารณากายพิจารณากายแล้ัคยอ่อนไปดูสมุทยัยร่างกายเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์จิตใจผลเปื้อนกับกิเลสเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เพราะฉะนั้นสัจจะทั้งสี่นี้สมุทยัยมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตน เราพิจารณากายแล้วก็ย้อนมาดูสมุทยัยย้อนมาดูที่ใจอหมสมุทัยมันเกิดที่ใจสมุทัยคือตัณหาเนี่ยดูคือเจ้าความอยากวิธีที่จะดูแลให้รู้ให้เห็นความอยากเหล่านี้กําหนดไปความอยากที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเออยากอยากให้ทานโออันนี้รีบรีบส่งเสริมโออยากรักษาสินรีบรีบส่งเสริมเพราะมันเป็นมักอยากภาวนา ใ, ใจได้รับความสงบอยากพิจารณาเกิดปัญญา ให้เป็นสัมมาสัมมาสัมมาปัญญาให้เป็นสัมมาทิฐิให้รีบส่งเสริมนะให้รีบส่งเสริมเพราะอันนี้เป็นมรดกที่พระเจ้าท่านส่องสอนเอาไว้ถ้าอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกรมรีบตัดรีบตัดรอนเอาสินมากํากับทันทีความอยากเหมือนกันนะแต่ด้เหตุใจของเรามันมีความอยากที่รุนแรงมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าท่านเพิ่งมาพลิกผันให้เรามารู้ว่านี่อยากอยากโดยธรรมอยากอันนี้เป็นมรคถ้าพยายามส่งเสริมอันนี้ให้หนักเข้าให้มากเข้าจนมีกําลังมากกว่ามากกว่าสมุทรไทยมากกว่ากิเลสจึงจะสามารถเอาชนะกันได้อืมรมาทิกายกายสมุทรไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวลาเราพิจรารณาไปพิจรารณาไปจนทําลายความอยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้หมด ความอยากเหล่านั้นเหือดแห้งหายไปหมดไม่มีตัวไม่มีตนเรื่องของสมุทัยนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันเป็นกิริยาความเลวสามของใจที่มันปนเปื้อนมากับใจใจเวลาชะล้างจนเหลือเทตใจที่บริสุทธิ์ความอยากภายในใจนั้นไม่มีเหลือผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีอำนาจความอยากไม่มีตัณหาเข้าไปแทรกเพราะสามารถใช้สติใช้ปัญญา ใช้คุณสมบัติของใจคือสติคือสัมผััญญาเนี่ยแผดเผาจนสิลงั้นเหือดไปแห้งไปสามารถเกิดยาณทัศนะเกิดความรู้ว่าเราเข้าถึงขั้นนั้นขั้นนี้เกิดความบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาในปันในปัจฉิมยามนะวันเพียนเพือนผนั่นแหละเป็นเหตุให้พระองค์เป็นเหตุให้พระองค์มีความพอพระทัยโอ้อาสวะได้บรรลุอาสวยายาัคยญาณ ใช้กระปะธรรมเหล่านี้แหละแพลเผาที่ประเทัไทยผอบแผลเผาไปแผลพราไปตัญหาเหล่านี้เหือดแห้งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับไม้สดนั่นแหละมันถูกแดดถูกไฟถูกอะไรเผาจากไม้สดสดชุ่มด้ายาเน่ยเหือดไปแห้งไปเหือดไปแห้งไปเหือดไปแห้งไปเหลือแต่ไม้แห้งเหลือแต่ไม้แห้งวิธีการทําให้เกิดไฟก็เอาไม้แห้งไปเสียให้เกิดไฟ ความสงบจึงเป็นเรื่องสำคัญในหัวใจของเราใจของเรามีความสงบเหมือนกับไฟเหมือนกับไม้แห้งเรา ส, สามารถเอาไปสีเกิดไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเอาไฟเอาไม้สดๆไปสีเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าจึงมีความสาคัญมาที่ศีลมาที่สมาธิสมาธิถ้าเรามีในใจของเราเหมือนกับเราสงบระงับตันหาไดนะ้เหมือนกับว่าไม้มันเหือดแห้ง ไม้มันไม้มันเป็นไม้แห้งไอ้ความสดของไม้มันเหือดแห้งไปไหนไปไหนหมดก็ไม่รู้มีไม้กขวายคมดสมาธิเส็จแล้วเอาไปเจริญให้เกิดปัญญาเอาไปเอาไม้แห้งนี่แหละไปเสียเกิดไฟสีสียสีนี่ไม้ขวายเราต้องการไฟคําว่าไฟหมายถึงญาณทัศนะคือความวิมุตต์หลุดพ้นเราเอาไม้แห้งนี่แหละไปเสียเกิดไฟเหมือนอย่างเรามาตั้งใจสมถะตั้งใจวิปัสสนาเนี่ยแหละเราพยายามทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เกิดความรู้เท่าทันความอยากด้วยเหตุที่มันมีความอยากมันก่อกวญให้เราทุกทุกทรมานทุกทุกภพกทุกชาติอยู่ร่ำไปไม่มีจบไม่มีสิน้นนี่พรูพระเจ้าท่านทําเป็นประจักรพยานในปัชิมยามทําให้พระองค์พอพระทยัยโอ้เจ้าความอยากที่เคยครอบงำหัวใจเรามานานตอนนี้เรารู้หน้ารู้ตาท่านหมดแล้วต่อไปนี้ท่านจะมาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภบสร้างชาติให้เราต่อไปอีก่ไม่ได้แล้ว พระองค์เป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์แต่ยังมีอยู่ในโลกไม่ใช่ว่าหมดไปจากโลกนะแพราะฉะพวกเราทําบุญให้ทานระลึกถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก้องอยู่ในใจกระเทือนถึงพระองค์พระองค์ยังอยู่ในโลกนะผู้รู้ที่บริสุทธิ์ยังมีอยู่ในโลกแต่เรามองไม่เห็นเพราะท่านไม่มาพาดพิงสมมติเราก็จะมองไม่เห็น พระอนุรุธที anny, ่ท่านมองเห็นพระพุทธเจ้าเวลาท่านเข้าฌานพอเวลาท่านออกจากฌานไปแล้วพระอนุทุธมองไม่เห็นไปประทับอยู่ในสัญญาเวททิฏตานิโรธก็มองเห็นประทับอยู่ในรูปปัสมาบัติก็มองเห็นอยู่ในอรูปสมะบติคือองค์ฌานก็มองเห็นเพราะทั้งรูปปัสมะบาดอรูปสมะบติทั้งทั้งสัญญาเวททิฏนิโรธเป็นสมุติเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมแต่ถ้า พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ประทับอยู่ในนั้นแล้วมองไม่เห็นเห็นไหมเวลาพระองค์สุดท้ายเวลาพระองค์จะพรินิพพานพระองค์ออกจากฌานที่สี่เอาพระจิตที่บริสุทธิ์ออกจากรูปรปฌานที่สี่และอรูปฌานที่ห้าก็ไม่เข้าพระอรุทธมองไม่เห็นแหละพู้ได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วนี่คือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นศาสดา นำธรรมะเหล่านี้มาสอนให้พวกเราให้เราทราบถึงสาเหตุต้นต่อของพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นสาเหตุต้นต่อของหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราพยายามขบเจาะไปให้ลึกเราจะได้ข้อปฏิบัติอันนี้มันมีคุณสมบัติติดพบติดชาติไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ทาให้เราได้อัดได้ทำได้มกักได้ผลขยับทีบ ต, ตัวไปให้เต็มที่ไปพ้ทนทุกข์พนโทษในวัฏสงสารได้ นี่คือโอกาสที่พวกเรามามีวันนี้เป็นเป็นปีที่สองเราให้ทุนนักเรียน<ๆ>ก็ให้นิดนิในน้อยเองแต่เป็นเป็นโอกาสให้เด็กทั้งเด็กทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งผู้ปกครองมาแล้วก็ได้เกิดความเกิดแนวโน้มทําความทําแนวโน้มให้กับเด็กมาเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมได้มาพบมาเห็นได้มาได้ยินได้มาได้ฟังมีครูบาอาจารย์บอกสอนมีกฎระเบียบ ม, มีกรอบ บ, บังคับแล้วก็ให้เราได้ยินได้ฟังได้นำไปประพฤติได้นำไป ป, ไำไ ป, ปฏิบัติคิดว่าเราทาไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยจะเกิดประโยชน์ห้าโรงเรียนที่เราทำนี่ห้าโรงเรียนโรงเรียนหนองแวนฮีโรงเรียนหนองอ่อโรงเรียนหนองวศพิทยาคมโรงเรียนโรงเรียนอะไรอีกนนสมราญโรงเรียนโนนหวาย รวมไปแล้วนักเรียนที่ยังมารับทุนก็ยี่สิบเจ็ดทุนแท้ที่จริงพิทยาคมน้องสาว พ, พิทยาคมเนี่ยเจ็ดเจ็ดทุนใช่ไหมน้องสาวพิทยาคมนี่เจ็ดทุนทุนหนึ่งมั น, เ ป, นเป็นทุนนอกอันที่เด็กคนหนึ่งเขามาเกี่ยวข้องกับวัดอยู่เรื่อยๆก็มีคนเขาเมตตาเขาให้เอ า, วาไว้ประจำแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรเพริ่มเข้ามาอีกเป็น 6. หกม 1, 2, ม 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นพิเศษเป็นเจ็ดทุนรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเจ็ดท่านมันเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติระดับจิตใจของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอฝากผู้ปกครองขอฝากทั้งครูอาจารย์ผู้ปกครองในโรงเรียนขอฝากผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติแล้วก็ฝากนักเรียนด้วยเราจะเป็นผู้ใหญ่ในโอกาสต่อไป เราสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเพราะเรื่องเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มพูนคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ให้กับเราแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆระวังให้ดีเกิดใหม่ไม่ได้เป็นมนุษย์สอบไม่ผ่านไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติไม่พอระวังให้ดีอย่าบงอย่าบา้ากิเลสตัณหาราคะเล่าพ น, นันทั้งหลายทั้งปงวงสิว น, นิปตทอนกําลังเราเท่านั้นบางทีมันแสดงพฤติกรรมให้เราเห็นตั้งแต่เป็นอยู่นี่แหละ ไม่ยังเป็นวตาแล้วจะต้องไปตกนรกเห็นดอกแสดงให้เห็นตั้งแต่เราเป็นอยู่อเนี่ยไปดูที่บางคนไม่สนใจเรื่องยาบ้าเนี่ยอเอาไปบาบัดทลายหายมาโอ้ยสูงทั้งดุนไปพัฒนาอะไรก็ไม่ขึ้นถึงขั้นรุนแรงมันบิดเอาจนตาย เ, ยเลยแหละยาบ้ามันบิดเอาจนตายและในเมื่อเราไปมองมองให้ตัวเองถึงขนาดนี้แล้วนะมีคุณสมบัติจะเป็นมนุษย์ได้ไหมถ้าเป็นก็มาเป็นคนบ้าบอวิกลวิการบ้าใบามีคน จะผิดมนุษย์ชอบไหมอ ย, อย่างนั้นอ่ะไม่มีใครชอบเลยแม้แต่บางคนมีทายาทออกมาเป็นอย่างนั้นโอ้ยทุกจนตายทุกจนเราตายทุกจนเขาตายดูซิความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังวรระวังอ่าได้เวลาพอสมควรแล้ะ <laughs> สอาโมงกว่าต่อไปเอาแจกทุนแจกทุนเสร็จแล้วก็ให้พร ให้พรเสร็จแล้วก็ไปรับทานอาหารในครัวเอา้เอาเริ่มดำเนินการได้เลยวันนี้ก็เชิญคุณนพมาศกับดรชื่ออะไรก็ไม่รู้ดรมานะเน่บอพินอุดอนบอพินอา่าเพราะเพื่อนบุปการะกองทุนนี้มาตลอดเลยเอา้าต่อไปเริ่มได้เลยจันเอา้เอาอา่อาที่ ได้เกียรติบัตรนี้เขาได้จัดให้มาทํากิจกรรมกี่ครั้งน ะ, ะมานอนที่วัดมาพามาค้างที่วัดทํากิจกรรมแล้วก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ให้ในห น, นังสือเกณฑ์ทั้งหลายที่เห็นทำเนี่ยมีเกณฑ์ให้เนนมีเกณฑ์ให้เขาทาแล้วก็บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ คือไอ้ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเจ้าของเจ้าของที่เกียรติธรรมถ้าทําก็ได้มันที่เกียรติธรรเด็กที่เกียรติธรรมอ่าเรื่องแจกทุนนี้เราเห็นว่ามันไม่หนักลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันมาอย่างนี้แล้วก็เวลาเราก็เสียแค่นี้ครูบาอาจารย์เราก็เสียแค่นี้นักเรียนก็เสียเวลาแค่นี้ แต่มีเสียงเรียกร้องมาขอให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยบางครั้งเราก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะเช่นอย่างวันวันนี้เราจะไม่อยู่แล้วเนี่ยถราจะไปคือถ้าเราไม่อยู่เราก็ไม่ค่อยอยากให้ทำน ะ, ะถ้าเราเราถ้าเราอยู่เราก็จะได้พูดธรรมะคือความประสงค์ของของกิจกรรมมันก็มีอยูอ่เพราะฉะนั้นเราจึงให้เลื่อนจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้ให้เลื่อนจากพรุ่งนี้มาเป็นวันนี้ ที่แรกว่าจะแจกสิบสี่สิบี่ก็เป็นวันเด็กอีกแล้วก็เราก็มีท่าจะไปตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปถ้าว่าเราบอกไปได้หรือไม่ได้เสาร์อาทิตย์ยังไงก็ให้ใหอยู่ขึ้นอยู่กับการประสานกันบางทีเสาร์อาทิตย์เราก็ติดหรือทั้งเสาร์อาทิตย์เราติดถ้าโรงเรียนทางครูทางอา จ, จารย์ติดจริงๆริงต้องการเสาร์อาทิตย์เราก็คอ่คอยคุยกันแล้วก็เลือกเอาวัน เรากำหนดเอาเป็นวันเดียวไม่ได้ดเรากําหนดออกเป็นวันเดียวไม่ได้ก็เรามาแล้วเราเห็นว่า ไ, ได้ประโยชน์นะครูบาอาจารย์ผู้ปกครองก็ได้ประโยชน์นักเรียนก็ได้ประโยชน์อพวกเราก็ไม่มีอะไรคุณ ค, ณ ค, ณคณ่าของพระพุทธศาสนาเราก็เราก็เท่ากับคุณค่าเป็นผู้เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณค่าของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีการบอกการสอนพระพุทธศาสนาก็เป็นหมันเพราะฉะนั้นเราพูดเราบอกเราสอนเราแนะนำเราตักเตือนกันพะพุทธศาสนาเป็นหมันนั้นนะอ่ะมันไม่มีโทษสำหรับศาสนาแต่มีโทษสำหรับพวกเราพวกเรากลายเป็นว่าเราเป็นหมันเราไม่พอจะเจริญมีไรเจริญงอกงามธรรมะไม่เจริญไม่งอกเงยในหัวใจของเราจึงมันเป็นจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย อายุการเวลาของเราวัยของเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไ ป, งไปบางทีไปคลุกเคล้ากับมิจฉาทิฏฐิจนดํามืดมืดหมดทั้งตัวแล้วที่จะมากลับจะมาฟื้นยากมากนี่อันนี้มันมันเป็นงานระดับชีวิตจิตใจของเรามันเป็นงานระดับภพบระดับชาติของเราอย่างแท้จริงเพระเาระฉะนั้นเราควรส่งเสริมเราควนสนับส น, นุนเราลงทุนน้อยแต่รู้สึกว่าผลข้างในนะั้นมันจะมีผลมาก เรื่องของพระศาสนาะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราไม่มีใครชอบเลยคือเรื่องความทุกข์เรื่องกองทุกข์พระพุทธศาสนาจะสอนใ ห, ให้เราหาช่องทางออกจากทุกข์มันก็เริ่มไปจากพฤติกรรมที่กายที่วาจาที่ใจของเราเลยมีคําพูดคำบอกคําสอนไม่จบอาวันนี้เอาเพียงแค่นี้แล้วพวกเรารับพอ่อนรับผ่อนเสร็จแล้วไปรับทานอาหารนะบุฟเฟ่นะรับทานอาหารในครัวตามีตามได้บุฟเฟ่ อืมอขอบคุณครูอาจารย์ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยร่วมกิจกรรมมาทุกครั้งอ่าทําไปเรื่อยเราเห็นว่ามันไม่หนักหรอกขนาดนี้ะแล้วก็มันไม่มากหรอกห้าร้อยเทนี้ก็พอแล้วไม่ใช่ไปสอยเออระดับอุดมระดับอะไรต่อไปหรือรอู้เขาลงไปตามความจําเป็นเท่าที่มี <c oughs> นี่เราก็ได้แค่ช่วยค่าสมุดทินสอนนิดหน่อยเท่านั้นเอง <c oughs> เอาให้พรท่นี้